มีเวลาก็จะอธิบายต่อหวานด้วยเราก็ภาคบ่ายก็โรคเรื่อยๆเราก็อธิบายกันต่อวันนี้จะอธิบายโรคกันเดียวเลยวันนี้คนใจของกันเป็นโรคโรคนี้เป็นยังไงโรคนี้เป็นยังไงยังไงแต่ละโรคแต่ละโรคอธิบายโรคเดียวเยวันนี้นะพร้อมกับอธิบายทิศเทคนิคการแก้ร้อนตีกับเป็นเย็นเย็นตีกับเป็นร้อนในอธิบายวันนี้นะครับจะมีทิศอธิบายคนไจการเกิดโรคการหายโรคแล้วก็ทิศในการแก้ปัญหาวันนี้จะเป็นภาคบ่ายทั้งหมดจะอธิบายทั้งนี้ มันมีร้อนกับเย็นแทรกพร้อมกันจะแก้แรงไล่อะไรต่างๆต อ, อ, อนตีกับเป็นเยน็นเย็นตีกับเป็นร้อนอาการหลอกการอะไรต่างๆประเด็นจะอบายตรงนี้ถ้าเอาความดันโลหิตสูงก่อนใช้ความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับก็เกิดจากร่างกาย ร, ร้อนมากๆแล้วพิษร้อนนั้นยังฝังอยู่ในกระแสเลือด พขานั้นเลยสูงในพิกร้อนฝังยันฝังในกระแสเลือดนะครับเมื่อพิษร้อนฝังอยู่ในกระแสเลือดจิ้มมากร่างกายก็เลยรับประสานในหละสั่ให้หัวใจบีบตัวเพื่อที่จะเอาพิษร้อนนั้นออกไปจากร่างกายก็เลยสั่งให้บีบตัวแรงๆเอาบีบมันออกบีบมันออกบีบมันออกแล้วมันจะเผาเราตายนะพอบีบตัวแรงๆเนี่ยพิษร้อนก็เลยกระจายไปทั่วร่างกายเลยนะครับความดันขึ้นด้วยพิษร้อนกระจายไปทั่วด้วยพิษร้อนกระจายไปทั่วเซลเลยทีเนี้ย พอมันมีตัวที่จะออกมันจะต้องระบายออกที่ผิวหนังมันจะระบายออกที่ผิวหนังระบายออกที่ไตที่ตับทุกที่นะมันระบายออกทุกที่ที่มันจะออกแรงมันบีบออกไปบีบออกไปฟันตัวให้บีบออกเพราะมันมีพิตรอนมากพอบีบแรนงแรงนะงความดันมันก็ขึ้นพอความดันขึ้นมากๆเส้นเลือดสมองก็แตกตายเพราะทันั้นหลยความดันเลยสูงตอนแรกหมอไปเป็นยไงเขาแก้งไงครับเขาแก้ว่าบอกเฮ้ยกดนวัดกดนวัดนะนะสั่ยากินเข้าไปไปสั่งสมอง มองไปสั่งว่าใจทีนึงยาบีตัวแรงยาบีตัวแรงแล้วสักเลเสมองแตกตายยาบีตัวแรงยาบีตัวแรนไปกดไว้นะสร็จแพิษมันก็ยังอยู่เหมือนเก่าพอพิษมันยังอยู่มอนเดิมไปไงครับพอพิษมากเข้ามากเข้ายาก็เ อ, อ้ยมันสั่งไม่ให้ีตัวได้ไงาาจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วครับเองสั่งฆาเขาไม่ฟังเองแล้วเว้ยดื้อยาไม่ฟังบีแรงมันเก่านะอ อ, ออกไปคิดออกไปคิดออกไปความดันขึ้นเหมือนเก่าเขาก็เป็นเนีนยานสมัยที่มันแรงกว่าเดิม กดไว้อยานั่งอย่านั scales, ่งอยาดั่งอย่าปิดต้นแรงอย่านั่งยานั่งอยานั่งเสร็จแล้วก็ไม่แก่ต้นเหตุความร้อนก็มาขึ้นมาขึ้นไม่ไว้ไม่ไว้ไม่ดันเดี๋ยวตายไม่ดันเดี๋ยวตายไม่ดันออกเดี๋ยวตายเอาพิษมันขังมันเผาจะตายอยู่แล้วนี่เขาก็ไม่ฟังยาตอนันก็ดื้อยาอีกันดื้อยาก็มีตัวแรงมันเก่าความแรงก็ขึ้นมันเก่า คือมก่ันเปลี่ยนยา ต, ตัวใหม่ที่แรงขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่สุดท้ายก็เปลี่ยนทุกตัวแล้วไม่มียาตนนัวไหนเอาอยู่แล้วมันก็นดังขึ้นเหมือนเดิมเริจนสมองก็แตกตายก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ความคิดร้อนที่ไม่ได้แก้เป็นไงความร้อนเผาทั่วร่างกายร่างกาทุกส่วนเต็มหมดเลยต้างกินยาความดันกดไว้แท้ๆพิษจากความดันที่กดยามลดความดันนั้นก็เป็นพิษเป็นพิษต่อร่างกายต่อตับต่อไตเพราะมันจะขับออกทางตับทางไต ยาเองก็เป็นพิษอยู่แล้วไปกดสมองอ่ะสมองก็เสื่อมกดหัวใจหัวใจก็เสื่อมขับไปขับไปที่ไตมันก็ไปกดไตไปที่ตับมันก็กดตับไปทุกเอวมันก็กดทำร้ายทุกเอวเลยเผาเขาทำร้ายกดทำร้ายทุกเอวไอ้ทุกเอวก็เสื่อมเพราะมันกดไม่ให้ทํางานที่ทำงานมัเสื่อมเลยนมันมันคืแย่นะครับมันแย่เซลล์ทุกส่วนก็จะเสื่อมหมดแต่แล้วอีกความคิดร้อนมากๆมากๆเขาคนไข้คนตาเลยสูงเนี่ยมันจะระบายพิษออกพิษไปเยอะที่สุดนะครับสังเกตสิเราปัสสาวะจะร้อนใช่ไหม นั่นแหละความร้อนจะระบายออกที่ไตมากแสดงว่าก็สะสมความร้อนจะมันมากมายเลยระบายไปที่ไตคนไข้ความดันโลหิตสูงคนไปจับหรือสิบเสราว่าโอ้ร้อนในกระไฟไหม้ร้อนมันระบายออกที่ไตย า, านนนยก็ระบายออกที่ไตกออกไ ต, ตกลงทั้งพิษร้อนก็ระบายไปที่ไตน ะ, ะยาก็ไประบายที่ไตสุดท้ายคนไข้ความดันโลยสูงไปวายถ้าไม่เส้นเลือดในสมองแตกก็ไปวายสองอันเป็นหลักหรือไม่ก็ถ้าอึดนะเส้นเลือดสมองไม่ยอมแตกไปไม่ยอมวายก็จะเป็นมะเร็ง พรามันก็คต้นเหตุหของมะเร็ง น, น, น่นแหละคนไข้คการหลายคนเป็นไปเป็นไปเด็กก็ไปเป็นมะเร็งเท่าไหรครับเพราะมันร้อนสมองราก็เกิดกรกลกยมะเร็งวันที่เราว่ามาแล้มันจะเกิดโรคภูมิแพ้โรคอะไรอีกสารพัดเดี๋ยวคยฟังโรคภูมิแพ้ใช้เป็นภูมิแพ้นั้นเท่านั้นเข้ามะเร็งทาหาย เรลองเลยไม่ต้องพวงเราว่ามันเป็นร้อนเดี๋ยวเด๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องภูแพรเอาเอ า, เอาความดเลืสูงนี่ให้ได้ก่อน <laughs> ความเลืสูงก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันร้อนมากๆมันก็จะสุดท้ายถนะ้ากินยาไม่ได้แก่ในต้นเหตุถ้ากินยาแค่สั่งไว้ไม่ให้มันดันดเฉยเนี่ยมันก็แค่หลอกตัวเองเท่นเองว่าไม่มีพิษหลอกตัวเองว่าตัวเองไม่มีความดันเลืสูงความจริงมันมีความดันเลืสูงอยู่แต่คุณกดไว้ให้เฉย กินยาหลอกตัวเองเฉยๆหลอกตัวเองทำไมอ่ะหลอกทำไมแล้วก็เลยนึกว่าเราไม่มีความระดับสูงแล้วก็เลยไม่แก้อะไรก็ใส่พิษเข้าไปทุกวันทุกวันพิษก็ทำร้ายร่างกายคุณก็คือเกิดโรคตสอดท้ายสุดก็ทุกทรมานด้วยโรคภายไข้เจ็บก็แก้โรคความระดับสูงไม่ได้ดิเสดงของแต่จะตายเป็นอย่างนั้นแล้วแค่พิจิตรแก้ไงนี่นะแค่พิจแก่ที่เหงื่อเลยสิตัวเหงื่อคืที่ความร้อน สายเย็นลดร้อนยาเก้าเม็ดแต่ลยสายเย็นลดร้อนลงไปถอนพิษร้อนออกพอตอนพิษร้อนออกนะยส่เย็นลดร้อนในปริมาณที่พอดีที่เราอยู่พลังชีวิตเต็มที่สุดพอสายเย็นลดร้อนลดความร้อนลงควมร้อนอยู่ในปริมาณที่พอดีเมื่อเย็นสบายดีแล้วยินไดจุดที่สบายพอยินในจุดที่สบายดีแล้วเป็นไงครับพิษร้อนหมดแล้พอพิษร้อนหมดร่างกายก็บอกอ้าวไม่มีพิษร้อนแล้วสมองก็สั่นเฮ้ยไม่ต้องบีบตัวแล้ไม่มีพิษร้อนอะไรบีบตัวสบายๆเอาแค่เลือดไปเลี้ยงร่างกายก็พอแล้ว เขาก็บีบตัวตามปกติความดันมันก็ปกติพรเาเขาบีบตัวปกตินี่โรคความดันโลหิตก็หายหายด้วยอั น, นี้แหละถอนทิดออกแล้วมันก็จะหายใช่ไหก็สบายอยู่ปกติสบายไม่ต้องดันแรกันสบายๆครับก็เป็นอย่างนี้นี่คือการรักษาโรคความดันิตสูงดังนั้นอัตราการหายจากความดันโลหิตสูงมาหาเราในคนไข้ถึงภายในหาถึงวันเนี่ยแปดสบอจึงดีขึ้นไปใน 5- าถึงเวันก็เพราะเราแก้ที่ต้นนี้ท่านาที่ส่วนใหญ่ท่านกินยาเราต้องรู้กี่ปี ยี่ยม้ายุกี่ปีนะเนี่มีป้าคนหนึ่งอายุ70ปีนะเขาก็มารักษาที่เราเมาจากภาคใต้70ปีมารักษาที่เราพอมารักษาที่เราเนี่ยมาจากภาคใต้เขาเป็นคนมีเงินนะเขาบอกเขาไปรักษากับหมอผู้เ ช, ชี่ยวชาญทั่วประเทศมาหมดแล้วพ้อมดันมาวันแรก 180-130 คิดดูสิอยู่ได้ไงโนอะ้โหสูงมากนะท่านข่าบนข้าล่านนะสูง 180-130 เขาไปรักษากับหมอในปัจจุบันมาหลายปีจนอายุ70ปีคิดดูสิ ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่หายนะพอไม่หายก็มาม า, มาที่นี่เนี่ยเพราะันว่าเจวันในความดันลงเจวันในนั้นลงมาเราอยู่ร้อยรอยร้อยสามสิบส่วนเก้าสิบสวยมากเลยนะร้ 130, อยสามสิบส่วนเก้าสิบโอเขาบอกเป็นไปได้ไงนะลงไปได้ไงร้อยสามิส่วนเก้าสิลงมาสวยมากแลก้วหมอใบบิอยเขาบอกนะครับว่าทุกความดันที่ขึ้นหนึ่งมเมตรคือความเสี่ยงของสมองและปอดกระสานและหลอดเลือดผมพราะผมเราไปจอบงานนี้ไปไประชุมไหว้ งั้นสมองคุณเสืม่มแลบอกภาสาเสิม่มนอนเลืลอ่ลอนเลื่คุณเสื่อมนะคีดเดียวแล้วที่มันขึ้นที่เราลดมาเราเป็นบรูทไหลมันไม่ได้ตึงเยีะตึงเยอะเลยนะครับเสร็จ แ, แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาไปถามหมอการัมจุบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถามมะโร่เขามาเกิดจากอะไรแต่ทไมเขาทาไมเขากินยานแล้วทาไมมันไม่ลงหมอการเมจบบอกว่าไงรู้ไหครับหมอผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราสาเหตุชนิดไม่ราสาหเสาหตุ แมจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้เถอะนะว่ามันเกิดอะไรนะแม่นะเดี๋ยวแค่ว่ากันกำลังต่ำนะเดี๋ยวจะที่หมายฟังคุณเป็นโรคซนระดึบสูงที่ไม่สราบสาเหตุแม่ หมอที่เขาก็เอาไตัดก็ไม่ตราบเอ่อไม่ยอมรับแต่คุณไมพูดตรงชันมผมก็ไม่กล้าพูดก็เขาช้าใจไม่ไม่ยอมรับว่าโง่คนนี้เขาว่างนนะไม่ใช่ผมว่านะไม่ยอมรับวไม่รู้นะเขาจริงแต่เขาจริงเรื่องี้เขายอมรัหลอดว่าไม่รู้นะเขาบกแคนี้แหละนะยอมรัไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุความจริงจริงเขาไม่ทราบสาเหตุจริงๆไอความจริงสาเหตุมันคือร้อนนี่แหละไอความ อาหาเป็นพิษอะไรต่รางๆเว่ามาไนะด้เลยแต่แล้วเขาก็ไม่ทราบใช่ไหมเราคนไทยก็เลยถามว่าให้ทําไงกินยาต่อไปหมองกันกินยาต่อไปก็กินแล้วมันไม่ลงเลยรินไปทําไมกินยาต่อไปเหวันนะั้นเราก็เลยต้องกินยาต่อไปกินยาต่อออกมาที่นี่เขาก็กินยาได้หมดนะครับก็สุดท้ายความบันก็ปกติ เขทิ้งยาได้ความจำก็ปกติมันปกติได้ด้วยเรื่องการแก้ที่ต้นเหตนะุนี่แหละเนี่ยหมอแพทย์ปัจจบันลึกๆเขาจึงไม่รู้สาเหตุของโไไรคไฟท้ายเจ็บลึกๆเขาไม่รู้อย่างเป็นรอบเขารู้บางส่วนบางแง่บางมุมแต่วม่เป็นอรอบชัดๆที่เขายัางไม่รู้องค์ความรู้ของหมอแพทย์ปัจจุบันยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงองค์ความรู้แผนพุทธที่ไปถึงแผนไทยแผนเรื่องก็ไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงถ้าไม่เอาพุทธศาสตร์เข้าไปจับนะแปอธิบายจะไปไม่ถึงหรอกแต่ถ้าพุทธศาสตร์ไปอธิบายทุกแผนไปถึงหมดเลย ไปถึงต้นเหตุได้ทั้งหมดเราะฉะั้นพุทธศาสตร์จะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของการแพทย์ทุกแผนอันนี้สําคัญโอเคนะฮะก็ต้นนี้คือโรคความดันเลยสูงนะเขาก็รักษาแบบนี้แหละความดันเลยต่ำละ่ะเป็นอย่างไรครับวามดันเลยต่ําเขาเรื่อต่ําเนี่ยนะก็เกิดจากจริงๆสมัยก่อนความดันเลต่ำเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินคือเย็นมากๆากเลยเส้นเริ่มันจะหมดตัวแล้วเซลล์ต่างๆมันจะไม่ค่อยทาาาาลลํางานกระบวนการไม่ต่อผลิตกระบวนการหลเลือดลดลงค่าง จะไรเป็นไม่ดีแล้วเซ ล, ลจะไม่ค่อยทํา ง, งานนะครับอความดันจะต่ำเพอความความดันจะต่ํานะครับถ้าลักษณะความดันต่ําจากเย็นเนี่ยไม่ใช้ร้อนเข้าไปแก้อะไรก็ได้เลยเป็นร้อนใส่เข้าไปแล้วก็ความดันก็ขึ้นแหละนะครับความดันก็ขึ้นอาหารร้อนยาร้อนต่างๆใส่ก็ได้หมดแล้ว ค, ความดันก็จะขึ้นพริกขิงขาดอใไรกระเปาหัวระพานกินเข้าไปสิไนขะมใครมันไปกินเข้าไปเลยก็ขึ้นเลยแต่ยุคนี้ความดันต่ำส่วนใหญ่เกิดจากร้อน ส่วเกิดจากร้อนเขาเรียกว่าร้อนที่สุดตีกับเป็นเย็นร้อนที่สุดตีกับเป็นเย็นมันเกิดจากสภาพตีกับเวลาร่างกายมันร้อนมากๆเผามากๆถึงขีดนึงเนแรกๆความดันจะขึ้นเหมือนกันนะแต่พอถึงขีดนึงเนี่ยมันจะเผาหัวใจจนล้าจนหมดแรงพอหัวใจล้าหมดแรงนั่นแหละความดันจะต่ำแต่ต่ำค um, SO e. รั้งน ic, okay. ี้คนที่แก้ไม่เป็นจะไปให้ยาร้อนพอคนที่แก้ไม่เป็นไปให้ยาร้อนมันยิ่งเผาให้หมดแรงยิ่งเผาให้หมดแรงมันก็ยิ่งต่ำยิ่งเผาให้หมดแรงมันยิ่งต่ำ หมอบางคนแนะนําให้กินเบียร์กินไวเพื่อที่เพิ่มความดันเนี่ยคือหมอที่ไม่รู้เรื่องเขาจะาแก้ความดันขึ้นชั่วคราวที่มันเนีอดแล้วก็ต่ําลงอีกทีขึ้นแล้วก็ต่ำอีกทีแล้วคนไข้ซุดมีคนไข้คนหนึ่งนะหมอแนะนำให้กินเบียร์ทั้งนั้นที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาไม่กินเบียร์แต่ตัวอย่างหายโรคเขาต้องไปกินเบียร์กินเบียร์จะต่ำบักเศษกินเบียร์จะต่ำแข็งกินดูซิมาเจอผมที่เนี่ยผมถึงบอกยุดกินโดยกินเบียร์แล้วก็ถอนซิปซ่ความดันขึ้นเลย่างเนี้นะ คือกินเบียร์แล้วก็ถอนพิษบ้างเขาเขาไม่ได้ติดนะเขาไม่ได้อยากกินด้วยแล้วทรมานตายนะแต่เขาอยากหายเพราะมอ ง, ไงไมใพทย์ปัจจุบันแนะนำอ๋ออะไรมันซีซวนจริงไหมอู้เรื่องเรื่องเล่านี่แนะนำคนไข้ซีซวนแล้วก็มาห า, าว่าเราซีซวนนะเออตามคนถากัน <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะยอมให้เขาว่าเราอยอมให้เขาว่าแล้วกัน ขเขาวาดตัวิตๆเลยนะเพราะว่าแหม่ถ้านำให้คนกินเองก็ฮอร์บ้าบ้าไอ้ถ้านำมักินได้ไงเล่าเป็นยาเสพติดไอ้ก็ฮอร์เป็นยาเสพติดไอ้ถ้าคนไข้ติดได้ไ ง, ตตไไไงแต่เขาไม่รู้ผมเห็นใจหมอในปะัจจุบันเขาไม่รู้จริงๆจริงๆเขาปรารถนานดีต่อคนไข้เขาจเขาแเขาปรารถนานดีต่อคนไข้เขาก็อยากให้คนไข้าหายแต่ด้วยองค์ความรู้ท่เขามีเท่านั้นก็เลยแนะนำให้กินเบียร์าจริงไม่ใช่วิธีแก้คือใช้ยเย็นผ่านไปถอนพิษร้อนออกพอถอนพิษร้อนออกแล้ว เนี่ยผมมีผมเจอคนไข้ลักษณะนี้ความดัน850เงี้ยผมก็แนะนำให้คนไข้ถอนพิตร้อนนะพอถอนพีตรอนปุ๊บพอร่างกายเย็นลงเนี่ยหัวใจจะมีกํำลังฟังดีนะพอร่างกายเย็นลงปุ๊บไม่มีความร้อนเผาหัวใจหัวใจจะมีกําลังพอหัวใจมีกําลังมันจะมีตัวแรงขึ้นเองเห็นไหมพอมีตัวแรงขึ้นมันจะแรงขึ้นในปริมาณที่ไปเลี้ยงเลือดลงได้พอดี พราะวันไม่ได้มีพิษร้อนอื่นๆที่จะต้องมีตัวแรงบีบพิษร้อนออกหรือไม่ได้มีความร้อนที่มากที่จะเผาหัวใจให้ลามันก็บีบตัวตามปกติความดันก็ปกติคนไข้จะมรดมารักษาความดันเลยต่ำที่นี่โดยการถอนพิษร้อนแต่เขาจะต่ำแต่การถอนพิษร้อนนั้นไม่ใช่ใช้เย็นเพียวๆบางทีเนี่ยใช้เย็นเพียวๆแบบสดๆนี่มันจกระพทกเขาจะใช้เย็นผ่านไฟใช้เย็นผ่านไฟเพราะมันเป็นร้อนตีกับเป็นเย็น ถ้าเย็นผัดไฟเช่นน้ำโคลล่าฟินโกลดัมบอลใส่ก่อนกินผักสดกินน้อยๆหรือไม่กินก็ได้แล้วให้กินผักตุ้บให้มากก่อนอะาหารอื่นแลกินน้ำซุปน้ำแกงนี่แหละกินน้ำแกงก็กินน้ำโคลล่าฟินเสร็จก็แันที่จะกินผักสดกับส้มตำใช่ไหม ก็ไปกินน้าแกงจืดไปกินเนื้อแกงจืดอ่ะหรือกินผักลวกถ้มีผักลวกกินเนื้อแกงจืดไปกินเสร็จก็กินข้าวพร้อมกับข้าวอะไรอเงี้ยไม่ต้องกินผักสดเพราะว่าเย็นเนี่ยถ้าเรากินผักสดมันจะเย็นเกินแล้ว SO มันจะเลือดลมมันไม่มันไหลเย็นยากอยู่แล้วไงถ้ากินผักสดมันจะเย็นลมจะไหลเย็นยากเหมืเดิมมันจะไหลเย็นยากในกรณีที่ร้อนปีกับเป็นเย็นเนี่ยนะครับไม่ใช่เย็นตามไฟ นะครับเราเขาจะไม่นามพอพอพอ่ามึนเพราะความร้อนมันจะช่วยไหลเลือดเรื่องล ม, มจะช่วยให้เขาหลาเวียนที่หัวใจมันยังไม่ฟื้นใช่ไหมมันยังไม่มีกําลังอะ่ะก็อาศัยร้อนไหลายเรียนก่อนแต่ร้อนขนาดอาหารร้อนมันก็จะเผาให้ตายเอาแต่ร้อนขนาดน้ำร้นอนยังใช้ได้เรืออาจจะสมุนไพรที่ร้อนนนิดๆก็ยนได้ในบางคนถ้าเขากินแล้วรู้สึกสบายอาจจะใช้สมุนไพรที่รอนนิดๆเช่นแตงกวาดินิดๆอะไรเงี้ยนะกล้วแต่ ใส่ไปในปริมาณที่เขารู้สึกสบายเพื่อช่วยอะไรอีกแรงหนึ่งในขณะเดียวกันก็ อ, อาศัยเย็นจากผักนิดเย็นส ม, มุนไพรนิดเย็นเพื่อไปถอนพิษร้อนที่มันฝังอยู่เขาเรียกว่าแก้ทั้งร้อนทั้งเย็นพร้อมกัน แก้เย็นก็คือการไหลเด่นที่ไม่สะ ด, ดวกใส่ตัวร้อนก็คือน้ำร้อนหรือสมุนไพรนิดร้อนเล็กน้อยแล้วน่าจะไม่ต้องใช้ก่อนนี้ยังได้เลยนะถ้าทำไม่ดีขึ้นเราก็ค่อยใช้สมุนไพรนิดร้อนเล็กน้อยนะอาจจะใส่สมุนไพรนิดร้อนเล็กน้อยหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือใส่ให้ดูว่าระหว่างใส่เล็กน้อยกับไม่ใส่ใช้แตะร้อนเพี่ยงๆอะไรดีกว่าให้ใช้ตอนนั้นอะไรที่เขามีพลังชีวิตกว่าเพราะแต่ละคนมันไม่เที่ยงต้องไปดูตรงนี้แล้วก็ในแต่ละเดืนเราก็ใช้ผักผลไม้นิดเยนใช้อะไรอาหารนิดเยนนี้เป็นตัว เป็นตัวถอนพิษอีกทีหนนะึเป็นตัวถอนพิถนพษถอนพิษก้อนที่มันทํำลายที่เป็นต้นเหตุเรือีกทนะีนะครับพอแก้สองอย่างพร้อมกันความดันก็จะขึ้นแต่พอความดันขึ้นได้ดีแล้วนี่นะเอ่อคราวนี้เนี่ยพอนานเข้าแล้ว เ, เขากินผัดผัดผ่านไฟเนี่เขาจะไม่สบายเขาจะรู้สึกไม่สดชื่นเพราะว่ามันแก้เย็นที่ตีกลับไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มร้อนเพียวๆถ้ากินผ่านไฟสัมผัสมันจะไม่สดชื่นคือมันจะร้อนเกินเขาจะรู้สึกอยากกินผักสด เขาจะรู้สึกได้กินผักสดแล้มันสดชื่นกอดสบายกว่าเขาจะเริ่มเพิ่มผักสดอีกรอบหนึ่งพวกร้อนจีกับเป็นเยน็นในเบื้องต้นจะให้ใช้เย็นผ่านไฟแต่อีกรอบมันจะให้ใช้เย็นเย็นสดเมื่อร่างกายบอกว่ากินสดแล้วรู้สึกสบายเพราะผ่านไฟมากๆมันจะร้อนเกินไงความร้อนจะฝัง มันต้องผ่านไปมากๆเขาต้องจะฝังเพราะงั้นเมื่อถึงรอบหนึ่งที่เขารู้สึกว่ากินอะไรผ่านไปแล้วรู้สึกไม่สดชื่นไม่สบายไม่อยูพลังชีวิตจะให้ใช้เกลี่ที่นี่จะให้ใช้เกลี่สดก็คือกินผ่านสดกับส้มตำจะกินอะไรท์้างโปรตีนสดอะไรสดพวกนี through, lonely, human, no. ้นะครับเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกสดชื่นสบายแข็งแรงพอนานเข้านานเข้าแล้วแหลมเมื่จะเย็นเกินเย็นเกินเสร็จนะก็ต้องใส่ตัวร้อนเข้าไปจะเป็นอยังไงใส่ตัวร้อนเข้าไปก็เรียกว่าสุดากส้มดึงใส่ตัวร้อนเข้าไป เอาใส่ก็ร้อนเข้าไปนานเข้านานเข้ามันจะร้อนเกิดก็ต้องกินเย็นกินสลับไปสลับมานมันมันจะไม่เที่ยงแต่เราต้องดูความจริงในการมหมุนวนไยอันนี้เป็นตัวเป็นตัวที่สัจจะจะบังคับให้เราไม่ติดตัวไหนตันนหนึ่งแต่จะรู้ว่าหน้าตอนนั้นอะไรสมดุลที่สุดที่ควรจะอาศัยสัจจะจะบังคับให้เราไม่ติดไม่ติดไม่ยึดแต่จะยึดอาศัยตัวที่มันสมดุล เพราะนั้นความสมดุลมันจึงไม่เทียงเห็นไหมมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนไปเรื่อยเพราะนั้นหมอสูตรในสูตรหนึ่งที่ล็อนแปตัวเย็นเท่านั้นร้อนเท่านั้นเด็กเย็นผ่านไฟเท่านั้นอะไรต่างๆเงีย้ยเจ็งเท่านั้นแหละฮะต้องดูความจริงในปัจจุบันหมุนวนไปแต่ในต้นต้นผมจ ะ, ะพาทำขบวนกา ร, รท้อมกันเพราะว่าค่ารวมเราร้อนมาอยู่แล้วผมพาทํำขบวนการนี้พร้อมกันแล้วก็ค่อยๆปรับไปตามที่จะอธิบายไป็นต่ละวันแต่ละวันทีจะปรับไปแบบนี้ครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สูงสุดโอเคนะแค่ความระดับเหตุสูงก็เป็นนัหละ ไอ้คนระดับสัต่งต่ำนะเนี่ย เ, เ, เป็นยังไงซึ่งเขาแก้กันไม่เป็นอายุึงนานสารอแนปัจจุบันแก้ไม่เป็นก็เลยเสียหายกันหมดเลยแม้หมอท้งเลือกเองเหมือนกันอพอตามรุปใส่ ย, ยาลอนเข้าไปอย่างเดียวเสร็จเลยต่ีแล้วมันใส่ ย, ยาลอนเข้าไปมันขึ้นไปครึ่งมันจะเผาซ้ำหมดแลดต่ำหมอไปแต่แก้ขึ้นอันนี้เจอเยอะแล้วก็แก้มาเยอะะ